ปีดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่7พระวินัยปีดกจุลวักภาคสองพระวินัยปีดกจุลวักภาคสอง ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 5. ้าุทกกะวะัตุขันตะคุทกกะวะัตุว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเรื่องพระฉาพคีสงน้ำขัดสีกายกับต้นไม้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวลวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรงราชฤก์ ครั้งนั้นพวกภิสูจน์ชาวคีสงน้ําขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับต้นไม้คนทั้งหลายจึงตําหนิประนามโพลทนาว่าเไหนพวกพระสมณะเชื่อสายสักยะบุตรจึงสงน้ําขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับต้นไม้เหมือนพวกนักหมวยปล่ําเหมือนพวกลูกหลานชาวบ้านเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาจึงตําหนิประนามโพลธนาว่าจะไหนพวกภิกษุฉาวพาคัคีจึงสงน้ําขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับต้นไม้เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุฉาวคีโดยประการต่างๆแล้ว จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุชาวพคีสงน้าขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับต้นไม้จริงหรือ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 มากมากไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษความขัดเกลาความกำจัดกิเลสอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารกความเพียรโดยประการต่างๆทรงแสดงธรรมยถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะสงน้ำไม่พึงขัดสีกายกับต้นไม้รูปใดขัดสีต้องอาบัตุกกฎเรื่องพระชาพคีสงน้ขาขัดสีกายกับเสาสมัยนั้นผู้ภิกษุชพัพคีสงน้ขาขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับเสาคนทั้งหลายจึงตัณฑิประนามโพท น, นาว่าฉนั้นพวกพระสมณะเชื่อสายสักยะบุตร จึงสงน้ำขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับเสาเหมือนพวกนักหมวยปล้ำเหมือนพวกลูกหลานชาวบ้านเล่าพิสุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาครั้นแล้วภิสุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงสอบถามลำดับนั้น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 พิสุเมื่อจะสรงน้ําไม่พึงขัดสีกายกับเสารูปใดขัดสีต้องอาบัตทุกกดเรื่องพระชาพาคีทรงน้ำขัดสีกายกับฟ้าสมัยนั้นผู้ พ, พิสุชาพาคีสรงน้ำขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับฟ้าคนทั้งหลายตําหนิประนามโพนธนาว่าจไหนพวกพระสมณะเชื่อสายสักยะบุตร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 ไม่พึงขัดสีกายกับฟ้ารูปใดขัดสีต้องอาบัตุกกฎเรื่องพระชะพาพคีสงน้ำในที่ไม่สมควรสมัยนั้นผู้ภิกษุฉาพาคีเมื่อสงน้ำสงน้ำในที่ไม่สมควรคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรทนาว่าเหมือนขโรหัสผู้บริโภคามภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตาหนิประนามโพลทนาครั้นแล้ว ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปรกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงสอบสวนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคกระรับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ภิกษุชาัคีทรงน้ำในที่ที่ไม่สมควรจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่า พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายจ้ไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงสรงน้ำในที่ที่ไม่สมควรเล่าครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีคถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสรงน้ำไม่พึงส่งในที่ที่ไม่สมควรรูปใดสงต้องอาบัตทุกกฎเรื่องพระชาพาัพคีใช้มือที่ทำด้วยไม้หอม ถูกายสงน้ําเป็นต้นสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวคีใช้มือที่ทําด้วยไม้หอมถูกายสงน้ําคนทั้งหลายจึงตําหนิประนามโพท น, นาว่าเหมือนครหัสถู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตําหนิประนามโพท น, นาภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้มือที่ทำด้วยไม้หอมถูกายสงน้ำรูปใดใช้สงต้องอาบัตุกกฎสมัยนั้นผู้ภิกษุชาพัคีสงน้ำโดยใช้เชือกชุบจุนศิลาสีเหมือนพลอยแดงถูตัวคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนเคยรหัสผู้บริโภคกรรมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสงน้ำโดยใช้เชือกชุบจุนสีลาสีเหมือนพลอยแดงถู ก, กายรูปใดใช้สงต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นผู้ภิกษุชาภพัคีต่างทำบริกรรมให้เกิดกันและกันคนทั้งหลายจึงตําหิประนามโพนธนาว่าเหมือนขรหัสผู้บริโภคกรรม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทําบริกรรมให้เกิดกันและกันรูปใดทำต้องอาบัตทุกกฏสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวคีใช้ไม้บังเวียนจากเป็นฟันมังกรถูกายสงน้ําคนทั้งหลายจึงตําหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนคารหาผู้บริโภคการม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ไม้บังเวียนจากเป็นฟันมังกรถูกายสงน้ำรูปใดถูต้องอาบัตุกกดเรื่องภิกษุเป็นโรคหิดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นโรคหิดขาดไม้บังเวียนจากเป็นฟันมังกรย่อมไม่มีความสบาย ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้บางเวียนที่ไม่จักเป็นฟันมังกรแก่ภิกษุผู้เป็นไข้เรื่องภิกษุทุพลภาพเพราะชราสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งทุพลภาพเพราะชราเมื่อสงน้ําไม่สามารถจะถูกายตนได้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 เราอนุญาตให้ใช้มือถูหลังเรื่องพระจขีใช้เครื่องประดับชนิดต่างๆสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวพีใช้เครื่องประดับหูใช้สร้อยสังวารใช้สร้อยคอใช้เครื่องประดับเอวใช้วาไลใช้สร้อยตาบใช้เครื่องประดับข้อมือใช้แหวนสวมนิ้วมือคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพลทนาว่าเหมือนครหัดผู้บริโภคการม ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตําหนิประนามโพธนาครั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้เปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ภิกษุชาวคีใช้เครื่องประดับหูใช้สร้อยสังวานใช้สร้อยคอใช้เครื่องประดับเอวใช้วไลัใช้สร้อยตาบใช้เครื่องประดับข้อมือ ใช้แหวนสวมนิ้วมือจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิครั้นทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้เครื่องประดับหูไม่พึงใช้สร้อยสังวานไม่พึงใช้สร้อยคอไม่พึงใช้เครื่องประดับเอวไม่พึงใช้วาไลไม่พึงใช้สร้อยตาบ ไม่พึงใช้เครื่องประดับข้อมือไม่พึงใช้แหวนสวมนิ้วมือรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกดเรื่องพระจ้พักขีไว้ผมยาวสมัยนั้นผู้พิสูจนฉพาภคีไว้ผมยา ว, ยนนา ค, ว, ยาวคนทั้งหลายตาหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนขอรหัสผู้บริโภคกรรมพิสษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงไว้ผมยาวรูปใดไว้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ไว้ผมยาวได้สองเดือนหรือยาวได้สองนิ้วเรื่องพระชัพคพีใช้แปรงหวีผมเป็นต้นสมัยนั้นผู้ภิกษุจัพคีใช้แปรงหวีผมใช้หวีหวีผมใช้นิ้วมือต่างหวีเสยผมใช้น้ำมันผสมกับขี้พึ่งเสยผม ใช้น้ำมันผสมกับน้ำเสยผมคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลทนาว่าเหมือนครหัสผู้บริโภคการมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้แปรงหวีผมไม่พึงใช้หวีหวีผมไม่พึงใช้นิ้วมือต่างหวีเสยผมไม่พึงใช้น้ำมันผสมกับขี้พึงเสยผม ไม่พึงใช้น้ำมันผสมกับน้ำเสรยผมรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎเรื่องพระชาพคีสองดูเงาหน้าสมัยนั้นผู้พิกูชชาพคีส่องดูเงาหน้าที่คันช่องบ้างในภาชนะใส่น้ำบ้างคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรธนาว่าเหมือนครหัดผู้บริโภคามภิสษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงดูเงาหน้าที่คันช่องหรือในภาชนะใส่น้ํารูปใดดูต้องอาบัดทุกกฎเรื่องภิกษุเป็นแผลที่หน้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลที่หน้าถามภิกษุทั้งหลายว่าแผลของกระผมเป็นอย่างไรขอรับภิกษุทั้งหลายตอบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขอรับภิกษุนั้นไม่เชื่อ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาภาษเป็นปัจจัยเราอนุญาตให้ตรวจดูรอยตำหนิบนใบหน้าที่คันช่องหรือที่ภาชนะใส่น้าได้เรื่องพระชะพคีธาหน้าเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุชพาพคีธาหน้าถูหน้าผัดหน้าเจิมหน้าด้วยมโนศิลา ยอมตัวยอมหน้ายอมทั้งตัวและหน้าคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนกระหัสผู้บริโภคกรรมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทาหน้าไม่พึงถูหน้าไม่พึงผัดหน้าไม่พึงเจิมหน้าด้วยมโนศิลาไม่พึงยอมตัวไม่พึงยอมหน้า ไม่พึงยอมทั้งตัวและหน้ารูปใดยอมต้องอาบัดทุกกฎเรื่องภิกษุอาภาเป็นโรคตาสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาภาเป็นโรคตาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาภาเป็นปัจจัยเราอนุญาตให้ทาหน้าได้เรื่องพระชจพคีดูมหโหรสพ สมัยนั้นมีมหรสพบนยอดเขาในกรุงราชครึกผู้ภิกษุชาพัคีไปเที่ยวดูมหรสพคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกพระสมณะเชื่อสายศักยะบุตรจึงไปดูการฟ้อนรำบ้างการขับร้องบ้างการบรรเลงดนตรีบ้างเหมือนกระหัสถู้บริโภคการเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงไปดูการฟ้อนรำการขับร้องหรือการบรรเลงดนตรีรูปใดไปดูต้องอาบัตุกกฎเรื่องพระจัพาคีสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวสมัยนั้นพวกภิกษุจัาพาคีสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวคล้ายเพลงขับคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่าชไหนพวกพระสมณะเชื้อสายศักยบุตร จึงสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวเหมือนพวกเราขับร้องเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยิงคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวพัีจึงสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวเล่าครั้งนั้นแหละพิษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ทราบว่าผู้พิกษุนชาวพัคฮีสวดธรรมด้วยเสียงขับยาวจริงหรือพิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงแสดงธรรมีคาถาแล้วรับสั่งกับพิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สวดธรรมด้วยเสียงขับยาวมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการคือหนึ่งแม้ตนเองก็กําหนัดในเสียงนั้น 2. แม้ผู้อื่นก็กำหนัดในเสียงนั้น 3. แม้ข้าบดีทั้งหลายก็ตำหนิ 4. เมื่อภิกษุพอใจการทำเสียงความเสื่อมแห่งสมาธิย่อมมี 5. ภิกษุรุ่นหลังจะพากันตามอย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สวดทำด้วยเสียงขับยาวมีโทษ5ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกล่าวทรด้วยเสียงขับยาว รูปใดสวดต้องอาบัดทุกกฎเรื่องภิกษุสวดสรพันยะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายยำเกรงในการสวดสรพันยะครั้งนั้นแหล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 ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ผ้าห่มขนสัตว์ให้ด้านที่มีขนอยู่ด้านนอกรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกดเรื่องพระจักรพรฉันมะม่วงสมัยนั้นมะม่วงที่พระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารจอมทรรมครดรัฐกำลังออกผล พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐทรงอนุญาตว่าขอนิมนพระคุณเจ้าทั้งหลายฉันผลมะม่วงตามสบายเถิดพวกพิสุชาพาคีสอยมะม่วงเลือกเอาเฉพาะผลอ่อนๆเท่านั้นมาฉันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐมีพระราชประสงค์จะสวยมะม่วงลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐจึงรับสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่าท่านจงไปสวนเก็บผลมะม่วงมา เจ้าหน้าที่เหล่านั้นรับพระราชดำรัสแล้วไปที่สวนบอกคนเฝ้าสวนว่านายพระราชามีพระราชประสงค์จะสวยผลมะม่วงท่านจงให้ผลมะม่วงคนเฝ้าสวนตอบว่ามะม่วงไม่มีภิกษุสอยผลอ่อนๆไปฉันหมดแล้วครั้งนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านั้น น, น, นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐให้ทรงทราบเท้าเธอตรัสว่า ภิกษุฉันมะม่วงหมดก็ดีแล้วแต่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญการรู้จักประมาณคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรทนาว่าเจ้ไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสกยะบุตรไม่รู้จักประมาณฉันมะม่วงของพระราชาหมดเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรทนาครั้งนั้นแหลภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายพวกเธอรับประเคนฉันเถิดพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตมะม่วงเป็นชิ้นชิ้นเรื่องผลไม้ที่สมควรแก่สมณะสมัยนั้นสมาคมหนึ่งถวายสังขพัฒพวกเขาไม่รู้จักทำมะม่วงเป็นชิ้นชิ้นจึงนำเข้าไปในโรงอาหารทั้งผลพิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคน ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรับประเคนฉันได้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันผลไม้ที่สมควรแก่สมณะห้าอย่างคือ 1. ผลไม้ที่ลนไฟ 2. ผลไม้ที่กลีดด้วยศสาสตรา 3. าผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ 4. ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด ห้าผลไม้ที่ปล่อนเอามาล็ดออกแล้วภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันผลไม้ที่สมควรแก่สมณะห้าอย่างนี้แลเรื่องภิกษุถูกงูกัดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสีตระกูลเพราะถ้าภิกษุนั้นแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสีตระกูลนี้ภิกษุนั้นก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพตระกูลพญางูทั้งสตระกูลพญางูสีตรกูลคือ 1. ตระกูลพญางูชื่อวิรูปัก 2. ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ สตระกูลพญางูชื่อฉาพยาบุตร 4. ตระกูลพญางูชื่อกัญหาโคตม ก, กะภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นคงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสีตระกูล น, นี้เพราะถ้าภิกษุนั้นแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางูสีตระกูลนี้ภิกษุนั้นก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิต ให้ตระกูลพญางูสี่ตระกูลนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนวิธีแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงแผ่เมตตาอย่างนี้เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูวิรูปักเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูเอราปท ะ, ะเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูชพยาบุร เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญายง i i ูกัน<ย>หา <Hahah>. โคตมกะเราขอมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์ที่ไม่มีเท <jos S 2> ้าเราขอมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์สองเท้าเราขอมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์สีเท้าเราขอมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์หลายเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์หลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา ขอสรพสัตที่มีลมหายใจขอสรพสัตที่ยังมีชีวิตทั้งมวลจงประสบกับความเจริญความเลวร้ายอย่าได้มาแพลวพานสัตว์ใดๆเลยพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมมีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายคืองูแมงป่องตะขาบแมงมุมต๊กแกหนูมีคุณพอประมาณ เราทําการรักษาแล้วทําการป้องกันแล้วขอหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตจงหลีกไปเรานั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจพระองค์เรื่องภิกษุตัดองค์ชาติสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกความไม่ยินดีบีบคั้นได้ตัดองค์ชาติของตนภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษนั้นเมื่อสิ่งอื่นที่ควรตัดมีอยู่กลับไปตัดอีกสิ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงตัดองคชาติของตนรูปใดตัดต้องอาบัติทุนละใจเรื่องบาดไม้จันสมัยนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครื้มีปุ่มแก่นจันมีค่ามากครั้งนั้นแหละท่านเศรษฐีชาวกรุงราชครื ได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้าใครเราจะให้กลึงปุ่มไม้จันนี้เป็นบาทผงไม้จันที่เหลือจะเก็บไว้ใช้แล้วให้บาทเป็นทานลำดับนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชฤก์ให้กลึงปุ่มไม้จันนั้นเป็นบาทใส่สาแรกแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่โดยผูกต่อๆกันขึ้นไปแล้วประกาศอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามรูปใดที่เป็นพระอรหันและมีฤทธ จงขอขึ้นไปปลดบาตรที่เราให้แล้วนําไปเถิดครั้งนั้นเจ้าลัทธิปุรณกัสสะเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชคลึถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชคลึดังนี้ว่าข้าหาบดีอาตมานี่แหละเป็นพระอาหารหันและมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บาตรแก่อาตมาเถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอาหารหันมีฤทธิ์ก็จงขอขึ้นไปปลดบาตรที่เราให้แล้วเองเถิด ครั้งนั้นเจ้าลทัทธิมัคคิโคสารเจ้าลทัทธิอชิตาเขตคำพลเจ้าลทัทธิปปุทกักจ g a j y ะเจ้าลทัทธิสัญชัยเวรัทบุตรเจ้าลทัทธินิครนนาตบุตรเข้าไปหาเศรษฐีถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชเครดังนี้ว่าข้าหาบดีอาตมานี่แหละเป็นพระอาหารหันและมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บาดแก่อาตมาเถิดเศรษฐีตอบว่า ถ้าท่านเป็นพระอาหารหันต์มีฤทธ์ก็จงเหาะขึ้นไปปลดบาตรที่เราให้แล้วเองเถิดครั้นเช้าวันหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะกับท่านพระปิณโทและพาระทวาชะครองอันตราวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรงราชครื่แม้ท่านพระปิณโตและภาระทวาชะเป็นพระอาหารหันต์ผู้มีฤทธิ์แม้ท่านพระมหาโมคลานะก็เป็นพระอาหารหันต์ผู้มีฤทธิ์เช่นกันครั้งนั้น ท่านพระปินโทและภาระทวาชะกล่าวกับท่านพระมหาโมคลานะดังนี้ว่าท่านโมคลานะท่านเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์ท่านจงไปปลดบาตรใบนั้นลงมาเถิดนั่นคือบาตรของท่านท่านพระมหาโมคลานะกล่าวว่าท่านปินโทและภาระทวราชะท่านเป็นพระอรหันต์และเป็นผู้มีฤทธิ์ท่านจงไปปลดบาตรใบนั้นลงมาเถิดนั่นบาตรของท่านลำดับนั้น ท่านพระปิณโทละพารัตวาชะได้เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าถือบาทนั้นลอยเวียนไปรอบกรุงราชคลึกสามรอบขณะนั้นเศรษฐีพร้อมด้วยบุตรภรนยายืนอยู่ในบ้านของตนประนมมือไหว้พลางนิมนต์ว่าท่านพารัตวาชะท่านโปรดแวะหยุดในบ้านของพวกเราเถิดท่านพระปิณโทละพารัตวาชะแวะหยุดในบ้านของท่านเศรษฐีแชวกรุงราชคฤึกลำดับนั้น เศรษฐีชาวกรุงราชคลึกรับบาดจากมือท่านพระปิณโตและภารัตวะชะแล้วบรรจุของเคี้ยวมีค่ามากจนเต็มบาทแล้วได้ถวายท่านครั้งนั้นท่านพระปิณโตและภารัตวาชะรับบาดแล้วกลับไปอารามคนทั้งหลายได้ทราบว่าพระคุณเจ้าปิณโตและภารัตวาชะปลดบาดของท่านเศรษฐีชาวกรุงราชคลึกลงมาแล้วจึงพากันส่งเสียงอึกกระทึกกรก้อง พาการติดตามท่านพระปิณโทลภพารัวาชะไปพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงอึกทึกกึกกล้องนั้นจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งถามว่าอานนท์นั่นเสียงอึกทึกกึกกล้องอะไรท่านพระอานนท์กราบทูลว่าท่านพระปิณโทลภพารัวาชะเหาขึ้นไปปลดบาปของเศรษฐีชาวกรงราชครื้คนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระคุณเจ้าปิณโทลภพารัวาชะ ปลดบาดของเศรษฐีชาวกรุงราชครืลงมาแล้วจึงพากันส่งเสียงอึกทึกเกืกกล้องพากันติดตามท่านพระบินโทลภพารัวาชะไปนี่คือเสียงอึกทึกกือกกล้องนั้นพระพุทธเจ้าข้าทรงประชุมสงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุตรามท่านพระบินโทลภารัวาชะว่าพารัวาชะทราบว่า เธอปลดบาตของเศรษฐีชาวกรุงราชครึ่งลงมาจริงหรือพระปิณโธและพาระทวาชะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าทรงห้ามใช้บาดไม้พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพาระทวาชะาการกระทําของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทาเลยภารทวาชะ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 ทรงแสดงธรเมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นอุตริมนุษธรรมแก่กระหัตทั้งหลายรูปใดแสดงต้องอาบัต ท, ทุกกฎภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทำลายบาดใบนั้นบทให้ละเอียดแล้วใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บาทไม้รูปใดใช้ต้องอาบัต ท, ทุ ก, กฎ เรื่องพระชาพาคีใช้บาทชนิดต่างๆสมัยนั้นผู้พิสุชาพาคีใช้บาทชนิดต่างๆคือบาททองคําบาทเงินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนกระหัตผู้บริโภคกรรมพิสุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิสุทั้งหลายภิษุไม่พึงใช้บาททองคา ไม่พึงใช้บาทเงินไม่พึงใช้บาทแก้วมณีไม่พึงใช้บาทแก้วไพลทูลไม่พึงใช้บาทแก้วผลึกไม่พึงใช้บาตรสำริดไม่พึงใช้บาทกระจกไม่พึงใช้บาทดีบุกไม่พึงใช้บาทตะกัวไม่พึงใช้บาททองแดงรูปใดใช้ต้องอาบาตรทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบาทรสองชนิดคือบาทเหล็กบาทดิน เรื่องพระชาพาคีใช้เชิงบาชนิดต่างๆสมัยนั้นก้นบาทศึกรอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเชิงบาทสมัยนั้นผู้ภิกษุชาพาคีใช้เชิงบาทชนิดต่างๆเือทาด้วยทองทำด้วยเงินคนทั้งหลายตาหนิประนามโพท น, นาว่า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 ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้กลืงเชิงรองบาทเชิงรองบาทกลืงแล้วก็ยังไม่เรียบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้จากเป็นฟันมังกรสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวัคีใช้เชิงรองบาทสวยงามตรการตามีลวดลายเป็นรูปภาพ เที่ยวเดินอวดไปตามถนนคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรธนาว่าเหมือนครหัสผู้บริโภคกาามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้เชิงรองป่าสวยงามตระการตามีลวดลายเป็นรูปภาพรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกฏกภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงรองบาดชนิดธรรมดาเรื่องการเก็บรักษาบาดสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเก็บบาด ไ, ไ, ไ, ไ, ไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งบาดเหม็นอับภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเก็บบาดไวทั้งที่ยังไม่แห้งรูปใดเก็บไวต้องอาบาด ท, ทุกกฎ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เอาบาดพึงแดดก่อนแล้วจึงค่อยเก็บสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเอาบาดพึงแดดไว้ทั้งที่ยังมีน้ำบาทมีกลิ่นเหม็นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเอาบาดพึงแดดทั้งที่ยังมีน้ารูปใดเอาผึ่งต้องอาบัด ท, ทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เช็ดบาดเสือก่อนแล้วจึงค่อยพึงแดดเก็บไว้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายวางบาดไว้ในที่ร้อนผิวบาดเสียภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงวางบาดไวในที่ร้อนรูปใดวางต้องอาบัดทุกกดภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เอาบาดพึ่งแดดไว้ในที่ร้อนสักชั่วครู่แล้วจึงค่อยเก็บสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายวางบาดจํานวนมากที่ไม่มีเชิงรองไว้ในที่แจ้งบาดถูกลมพายุพัดกลิ่งตกแตกภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตที่วางบาดสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายวางบาทไว้ที่ริมต่างไม้บาทกลิ่งตกแตกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงวางบาทไว้ที่ริมต่างไม้รูปใดวางไวต้องอาบัด ท, ทุกกฏสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายวางบาทไว้ที่ริมต่างไม้เล็กนอกฝาบาทกลิ่งตกแตก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 ภิกษุทั้งหลายแขวนบาทไว้ที่ไม้เดือยข้างฝาบ้างที่งาช้างบ้างบาทพระตกแตกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแขวนบาทไว้รูปใดแขวนไว้ต้องอาบาต ท, ทุกกฏสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเก็บบาทไวบนเตียงเผลอสตินั่งทับบาทแตก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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้บนตักรูปใดเก็บไว้ต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไว้บนตักเผลอสติลุกขึ้นบาตรตกแตกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้บนตัก รูปใดวางไว้ต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเก็บบาทไว้บนกรดกรดถูกลมพายุพัดบาทตกแตกภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคให้ทรงทราบรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเก็บบาตไว้บนกรดรูปใดเก็บไว้ต้องอาบัตดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายถือบาทอยู่ ผลักบานประตูเข้าไปบาดกระทบบานประตูแตกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงถือบาดผลักบานประตูเข้าไปรูปใดผลักต้องอาบัตทุกกดเรื่องการใช้วัตถุอื่นแทนบาดสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้กระโหลกน้ําเต้าเที่ยวบินทบาท คนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนพวกเดรธีภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กโกลกน้ําเต้าเที่ยวบินธบาดรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้มอกระเบื้องเที่ยวบินธบาดคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนพวกเดรธี ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้มอกระเบื้อเที่ยวบินทบาตรรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถือของทุกอย่างเป็นของบางสกุลท่านใช้บาดโกผีสตรีผู้หนึ่งเห็นแล้วกลัวท่งเสียงร้องว่าผู้นี้เป็นปีศาจแน่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 ภิกษุไม่ควรมีของใช้ทุกอย่างเป็นของบางสกุลรูปใดมีต้องอาปาทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายใช้บาทรองรับเศษอาหารบ้างก้างบ้างน้ำบ้วนปากบ้างคนทั้งหลายตํานิประนามโพนธนาว่าพวกพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรเหล่านี้ฉันในภาชนะที่ตัวเองใช้เป็นกระถนภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บาตรรองรับเศษอาหารก้างหรือน้ำบนปากรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้กระโถน